พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีอรณะวิพังคสูตรการจําแนกธรรมะที่ไม่มีกิเลสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงอรณะวิพังดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งสุกในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งอตตกิละมะฐานุโยคคือการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนหรือการทรมานตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั no. ้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วมันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้ว ไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมะเท่านั้นพึงรู้การตัดสินความสุขครันรู้แล้วพึงประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินตอนหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่น ไม่พึงละเลยคำพูดสามัญคำพูดสามัญคือคำพูดของชาวโลกที่กำหนดพูดกันบัญญัติให้รู้ร่วมกันนี้เป็นอุเทศแห่งอรณะวิพังธรรมะคือการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกขมีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมะคือการไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งสมณัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากการอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุก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 เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยามรรคมีองค์8ดนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะ ก, กระทาชอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาส ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบคำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาโคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุขก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง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 การยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าได้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากการอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกมีความเบียดเบียนมีความขับแคนมีความเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบดังเนืองซึ่งโสมนัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากการอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของอุตุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแคน ไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึง่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอตตกิลามัทานุโยกมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึง่ง บุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอัตกิลมัานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่า ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภาวะสั่งโยช์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนขับแค้นเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภาวะสั่งโยน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูก ชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตาหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แหลการไม่ยกย่องการไม่ตาหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่า ชนเหล่าใดประกอบหนึ่งๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากการอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุทุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนคับแค้นเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมะคือการประกอบหนึ่ ง, น, งนี้แหละมีทุกข์มีความเบียดเบียนขับแค้นเร่าร้อน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 ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนครับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอัตตากิละมฐานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่า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 เขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมะคือการไม่ประกอบดังเนืองนี้แหละไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภาวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเร่าร้อน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 ครันรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครันรู้แล้วพึงประกอบเนืองเนืองซึ่งความสุขในภายในเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย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 สุคโสมนาที่อาศัยกรมคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขอันเกิดจากกรามเป็นสุขที่เกิดแต่เมถุนธรรมเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะเพราะกล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจเริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุทั้งหลาย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 บัรลุตติยะฌานบรรลุจตุทัฏฌานสุคนี้เราเรียกว่าเนคขมัสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงดเป็นสุขเกิดจากความสงบเป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทาให้มากไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้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 ภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิน่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น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 บางท้องถินรู้จักกันว่าปิปีละบ้างภิกษุพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถินนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่าหนีเท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถินและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้การไม่ยึดภาษาท้องถินและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไร คือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถินรู้จักกันว่าปาติบางท้องถินรู้จักกันว่าปัตตะกบางท้องถินรู้จักกันว่าปิดฐ ะ, กกะภิษุพูดอย่างไม่ถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถินนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นได้ว่าได้ยินว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้พูดหมายถึงภาชนะนี้ภิษุทั้งหลาย การไม่ยึดภาษาท้องถินและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าไม่พึงยึดภาษาท้องถินไม่พึงละเลยคำพูดสามัญ น, นั่นเพราะอาศัยคำนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้น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 แต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสมนัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากรกามอันซามเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลส ภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้นธรรมะคืออัตตกิละมัฐานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนรับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ประกอบเนือ ง, งซึ่งอัตตกิละมฐานุโยก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 อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุขก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนขับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณาวิพังนั้นธรรมะคือการยกย่องการตําหนิ และการไม่แสดงธรรมนี้มีทุกมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรร ม, มนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรร ม, มคือการไม่ยกย่องไม่ตำหนิการแสดงธรรมเท่านั้นเหล่านี้ไม่มีทุกไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูก เพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณะวิพังนั้นธรรมะคือสุขอันเกิดจากการสุขอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้น ธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือเนคขมสุขสุขเกิดจากความสงัดความสงบการตรัสรูน้นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลส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 มีทุกข์มีความเบียดเบียนคับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะมีกิเลสในเรื่องนั้นธรรมะคือความลับที่เป็นความจริงเป็นความ thicken, วแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนคับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลส ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมะคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนขับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้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 ธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมะคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนขับแค้นเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้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 ธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาในอารณะวิพังนี้อย่างนี้แลว่าเราทั้งหลายรู้ธรรมะที่มีกิเลสและรู้ธรรมะที่ไม่มีกิเลสแล้วจากปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสกุลบุตรผู้มีนามวาสุภูติ